เรื่องภิกษุณีหนึ่งเรื่อง80สมัยนั้นในกรุงเวสาลีเจ้าชายิชวีทั้งหลายจับภิกษุให้เสพเมถุนธรรมกับภิกษุณีเธอทั้งสองยินดีพึงให้ศึกเสียทั้งคู่ทั้งสองไม่ยินดีไม่ต้องอาบัตวงเล็บเรื่องที่71